เรื่องเล่าผีหลอนตอนกระสือญานวนเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เจ้าของเรื่องได้เล่าว่าสมัยตอนเด็กๆแม่กับญาติๆเราชอบห้ามไม่ให้ไปเล่นกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่แอนพี่แอนมีศัก์เป็นญาติห่างๆของเรา ก็เป็นพี่ในหมู่บ้านนี่แหละตอนเด็กเราไม่ค่อยเชื่อผู้ใหญ่เท่าไหร่เวลามีญาติญาติมาห้ามเขาชอบพูดประมาณว่าอย่าไปกินขนมบ้านยายแอนนะห้ามเด็ดขาดอย่าไปเล่นบ้านยายแอนประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรแต่เมื่อไรที่แม่เราจับได้ว่าเราไปเล่นที่บ้านพี่แอนมา เราก็จะถูกตีทุกครั้งจนพักหลังเราก็ไม่ได้ไปอีกเลยจนกระทั่งเราโตเราก็กลับมาถามแม่กับญาติๆอีกครั้งว่าเพราะอะไรถึงห้ามพอถามปุ๊บป้าก็มักจะบอกเราเสมอๆว่าไม่มีอะไรหรอกแม่แค่กลัวว่าเราจะไปเล่นไกลหูไกลตาแค่นั้นเราว่าไม่น่าใช่ เพราะตอนไปโรงเรียนเรานั่งรถตู้ไปเราชอบชวนเพื่อนๆไปเล่นที่บ้านของพี่แอนไม่รู้ทําไมเพื่อนในหมู่บ้านทุกคนก็บอกเหมือนๆกันว่าแม่ห้ามบ้างพ่อห้ามบ้างเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขอเล่าเรื่องที่เรารู้มาเลยแล้วกันคือเรื่องมันเริ่มต้นจากงานศพของยายคนหนึ่งเราก็ไปงานนี้ด้วย คืองานนี้พี่แอนพาแฟนคนใหม่มาก็เลยมีคนเอามาเมาส์เราได้ยินมาประมาณว่าตระกูลของพี่แอนเมื่อก่อนเขาเล่นของประมาณว่ามีคุณใส่นมดำเวลาใครมีเรื่องอะไรก็จะให้ตาของพ่อพี่แอนช่วยมันจะสำเร็จทุกครั้งพอตาของพ่อพี่แอนเสียไป ก็ น, นึกว่าเรื่องคุณใสจะหมดไปด้วยแต่กลับไม่ใช่เพราะเขาเล่ากันว่าตาของพ่อพี่แอนสอนเรื่องคุณใสเหล่านั้นให้ลูกชายของเขาตอนนั้นพ่อพี่แอนอายุราวๆสิบขวบคุณปู่พี่แอนดูเหมือนเขาจะไม่ได้เปิดตําหนักเหมือนจะรับของมาแบบลับๆเห็นคนเล่า ว, ว่า คุณย่าของพี่แอนเป็นคนสวยมากคุณปู่พี่แอนอยากได้เลยให้พ่อของตัวเองทำคุณใสให้หลังจากนั้นย่าของพี่แอนที่ชื่อย่านวลก็มาอยู่ที่บ้านของพ่อพี่แอนซึ่งสมัยก่อนเขาถือกันมากเรื่องของผู้หญิงมานอนบ้านผู้ชายแต่ย่านวลก็ไม่สนใจ ใครจะว่ายังไงก็ไม่สนฉันจะอยู่อะไรประมาณนี้ตอนนั้นย่านวลหลงคุณปู่เอามากๆใครพากลับบ้านก็จะพยายามหนีกลับมาตลอดจนคนที่บ้านเอือมระอาเลยปล่อยเลยตามเลยถึงกับตัดแม่ตัดลูกกันเลยตอนพ่อพี่แอนอายุ15้าปีย่านวลก็ไม่สบาย ไม่ยอมออกไปไหนมาไหนเหมือนเมื่อก่อนแต่มักจะมีคนเห็นย่านวลออกบ้านตอนตีสตีห้าพอตะวันเริ่มโผล่ย่านวลก็จะรีบกลับเข้าบ้านทันทีเป็นอยู่แบบนี้จนพ่อพี่แอนอายุ20สปีก็แต่งงานกับสาวข้างบ้านซึ่งตอนคบกันพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็กีดกันสุดฤทธ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้แต่งเพราะว่าแม่พี่แอนท้องงานวันแต่งลูกชายย่านวนก็ไม่ออกมาร่วมงานแต่งพ่อพี่แอนเลยพาแม่พี่แอนเข้าไปไหว้ย่านวนตอนนั้นแม่พี่แอนออกมาเล่าให้ญาติตัวเองฟังว่าสภาพห้องของย่านวนรกและเหม็นกลิ่นอับๆสั่งลูกหลานให้ปิดหน้าต่างทุกบานให้มิดชิด ส่วนย่านวลก็ดูแก่ขึ้นมากนอนติดเตียงอยู่ตลอดเวลาจากหญิงสาวที่ดูสวยสง่าตลอดเวลาตอนนี้แม้แต่ผมก็ยังไม่หวีเลยเหมือนคนไม่สบายอย่างหนักจากนั้นญาติๆของแม่พี่แอนรวมถึงพ่อแม่ของแม่พี่แอนก็ทยอยตายกันไปทีละคนสองคนโดยไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไร แต่ก่อนตายมักชอบพูดเสมอว่าฝันไม่ดีฝันเห็นหมาดำไล่กัดแทบทุกคืนเวลาผ่านไปจนพี่แอนอายุได้สี่ขวบแม่พี่แอนก็เสียเพราะโดนแทงตายจนตอนนี้ก็ยังจับโจรไม่ได้แต่ย่านวลยังอยู่ซึ่งมันน่าแปลกคนไม่สบาย ชนิดที่แทบไม่ออกไปไหนกลับยังอยู่ได้แต่คนในหมู่บ้านชอบพูดว่าย่านวลเป็นผีกระสือเพราะตอนนั้นไก่สุนัขแมวในหมู่บ้านเริ่มทยอยตายมากขึ้นทุกวันทุกวันคือที่จริงก็เริ่มตายมากๆตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแล้วน่าจะช่วงที่ย่านวลเริ่มล้มป่วย ตอนนั้นคนในหมู่บ้านถึงกับสงสัยยานวลแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะสามีแกมีคุณใสอาจโดนทำร้ายได้ช่วงตอนหน้าฝนชาวบ้านมักออกมาหากบหาปูหาปลากันตอนกลางคืนชาวบ้านทุกคนที่ออกไปตอนกลางคืนเจอผีกระซือกันหมดทุกคน แต่ไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครจะเห็นแค่เป็นดวงไฟมากกว่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ค่อยมีใครกล้าออกไปตอนกลางคืนแต่ตอนพ่อเรามาอยู่ที่บ้านเราใหม่ๆตอนกลางคืนพ่อชอบออกไปหาดักปลาดักปูพ่อบอกว่าเจอทุกคืนจนชินพ่อเราไม่ค่อยกลัวผีพ่อชอบบอกว่าเขาอยู่ส่วนเขา ถ้าเขาไม่มาทำร้ายเราก็ต่างคนต่างอยู่ตอนเราอายุได้สิบสองขวบย่านวลก็ยังอยู่เราอายุห่างจากพี่แอนห้าปีก่อนคืนที่ย่านวลจะเสียสุนัขและแมวแถวบ้านจะมีอาการแปลกๆคือเหมือนมันจะหวาดระแวงอะไรบางอย่างไม่กล้าออกมาเดินตามข้างทางเหมือนอย่างเคยพอมืด หมามันก็จะรีบกลับเข้าบ้านคือเคยได้ยินไหมกลัวจนหัวหดหางตูดคือเป็นเหมือนกันทุกบ้านตอนเช้าเช้าถ้าเจ้าของไม่ออกจากบ้านมันก็ไม่ออกหมาที่บ้านเราคือถ้าใครไปจับตัวมันแบบที่มันไม่รู้ตัวมันจะสะดุ้งสุดตัวกระโดดโยงไปเลยจากปกติ ชอบออกไปเห่าพวกขี้เมาตอนกลางคืนแต่ช่วงอาทิตย์นั้นหมามันเก็บตัวเงียบแต่จะแอบเหา่าแอบหอนอยู่ภายในบ้านไม่ออกไปเหมือนอย่างเคยทุกคนในหมู่บ้านเริ่มหวาดระแวงรู้สึกกลัวพอเริ่มมืดก็เก็บสุนัขและแมวเด็กๆ เ, เข้าบ้านกันยกใหญ่ก่อนหน้านั้นทุกคน จะเห็นผีกระสือออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆบ่อยจนผิดปกติแต่พออาทิตย์ที่ย่านวลเสียก็ไม่มีใครเห็นผีกระสือเลยคนแก่แถวบ้านมักบอกว่าผีกระสือถ้าใครเห็นหน้ามันแล้วมันจะตายแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครออกมาเล่าว่าเห็นผีกระสือเลยนะคะแล้วคนแก่ ก็มักจะพูดว่าผีกระสือก่อนตายเขาจะออกหากินอย่างหนักที่จริงไม่ได้ออกหากินหรอกคะ่ะแต่เขาจะออกมาคายน้ำลายมากกว่าโดยจะออกมาคายใส่เสื้อผ้าที่ถูกตากไว้กลางแจง้งเขาถึงบอกกันว่าตากผ้าไว้ที่โล่งตอนกลางคืนไม่ดีคืนที่่านวลเสียเป็นคืนวันศุกร์คืนนั้น คนที่ยังไม่หลับจะได้ยินเสียงกรีดร้องดังลั่นทั่วหมู่บ้านเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงและคืนนั้นฝนก็ตกปรยโปรยแทบจะทั้งคืนหมาหอนกันระงมเจ้าเล็กหมาที่บ้านเรามันหอนแล้ววิ่งไปแอบตรงนู้นทีตรงนี้ทีทั่วบ้านไปหมดพอเริ่มสว่างทุกคนก็เริ่มออกมาจากบ้าน พ่อของพี่แอนก็ออกมาบอกกับญาติว่าญานวลเสียแล้วแต่เรื่องมันก็ดูแปลกๆพ่อพี่แอนตั้งสวดศพแค่คืนวันเสาร์แล้วเผาศพวันอาทิตย์ทันทีและนี่ก็ยิงเป็นขี่ปากชาวบ้านไปใหญ่ตลอดเวลาของการสวดศพปู่มาปู่ของพี่แอนก็ไม่ออกมาร่วมงานเลย เก็บตัวอยู่แต่ในห้องอาหารในงานศพก็ไม่กินญาติญาติต้องออกไปซื้อมาให้ปู่แกกินที่หมู่บ้านเราตอนนั้นยังไม่มีเตาเผาศพแต่จะเผาแบบเอาโลงใส่ศพขึ้นไปวางบนท่อนไม้ใหญ่ๆทุกคนที่ร่วมงานศพเล่าว่ากลิ่นศพของญานวลเหม็นมากเหม็นเหมือนตายมานานแล้ว ทั้งๆ ท, ที่เพิ่งตายเมื่อไม่กี่วันสภาพศพชาวบ้านบอกดูแทบไม่ได้ขึ้นอืด น, น้ำเหลืองไหลอยู่ตลอดเวลาหลังเสร็จงานศพยานวลปู่มา ก, ก็ล้มป่วยแบบไม่มีสาเหตุและเสียชีวิตในอาทิตย์ถัดไปหมู่บ้านเราไม่มีสัปเหร่อคนในหมู่บ้านจะช่วยๆกันมากกว่ารวมถึงตาเราด้วย ตาเราเล่าให้ฟังว่าตอนเผาศพปูมาไฟนิลุกสูงเท่าหัวอยู่ตลอดเวลากระดูกของปูมาเป็นสีดําไม่เหมือนศพอื่นๆที่เคยเผามาก่อนก่อนตายปูมาบอกกับญาติๆว่าห้ามเก็บกระดูกของปูมาไว้แต่ให้เอาไปลอยน้ําและให้เก็บกระดูกไปให้ครบหลังงานศพของปูมา บ้านพี่แอนก็เหลือแค่พี่แอนกับพ่อแค่สองคนมีคนเล่าว่าพี่แอนถูกญานวลเรียกให้เข้าไปพบก่อนตายและพี่แอนอาจจะเป็นกระสือแต่หลังจากญานวลตายก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่มีใครเห็นกระสืออีกจากนั้นพี่แอนก็ย้ายไปเรียนแถวๆในเมือง จะบอกก่อนว่าพี่แอนเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คนในหมู่บ้านยังชอบแย่พี่แอนเล่ น, ลนว่าโตมาจะมีแฟนกับเขาไหมเนี่ยแต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่พี่แอนย้ายไปเรียนในเมืองก็มีแฟนคนแรกหล่อรวยมากๆกก่อนหน้านี้พี่ผู้ชายคนนั้นก็มีแฟนอยู่แล้วแต่จู่จูก็หันมาคบพี่แอน พอเลิกกับคนแรกก็มีแฟนอีกมากมายหลายคนแฟนแต่ละคนนี้หล่อๆทั้งนั้นบางคนณนะบัดนี้กลายเป็นคนดังในโซเชียลก็มีคือแบบว่าไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าพี่แอนจะมีแฟนได้หล่อขนาดนี้คือพี่แอนตอนนั้นไม่สวยเอาเสียเลยแต่ตอนนี้เข้าเคียงหมอเรียบร้อยแล้วตอนเราอยู่กรุงเทพ พี่แอนเคยมาเยี่ยมอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมานอนที่บ้านเราเราแอบเห็นพี่แอนพกเครื่องรางด้วยลักษณะเป็นเหมือนกิ่งไม้กับใบไม้ประกบติดกันแต่เราเห็นไม่ชัดเพราะมันอยู่ในซองถุงซิปล็อกอย่างดีเราก็เคยถามว่านั่นอะไรพี่แอนก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ย่านวนให้มา ตอนก่อนวันที่ย่านวลจะเสียแล้วบอกว่าให้เก็บมันไว้กับตัวตลอดอย่าเอาไปให้ใครถ้าไม่อยากเก็บไว้แล้วก็ให้เผาทิ้งอย่าเอาไปทิ้งทางขยะห้ามหายเด็ดขาดเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ตอนนี้คนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครคิดว่าพี่แอนเป็นกระสือแค่แอบสงสัยเฉย ส่วนพ่อพี่แอนตอนนี้ก็มีภรรยาใหม่ไปแล้วส่วนตัวเราคิดว่าปูมาไม่น่าจะสอนอะไรเกี่ยวกับมนต์ดำให้พ่อพี่แอนแต่แอบมีให้คาถาลับบางอย่างที่ไม่ค่อยเป็นอันตรายส่วนของที่ย่านวลให้พี่แอนมานั้นเราว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่าง ซึ่งน่าจะเกี่ยวกับการทำให้มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามซึ่งก็ไม่รู้ว่าญานวนให้พี่แอนมาทำไมอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าของเรื่องสงสัยก็คือญานวนเป็นผีกระสือจริงหรือเปล่าแล้วถ้าจริงแสดงว่าก็ต้องมีคนเคยเห็นญานวนตอนเป็นผีกระสือย่านวนถึงได้ตายส่วนตัวเรา เราคิดว่าปูมาน่าจะเป็นคนเห็นตอนย่านวลเป็นผีกระสือเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ชี้ว่าปูมาน่าจะเป็นคนเห็นตอนย่านวลเป็นผีกระสือเจ้าของเรื่องยังลืมบอกไปอีกอย่างว่าปูมากับย่านวลแยกห้องกันนอนมานานแล้วเพราะย่านวลบอกว่าอึดอัด เรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับฟังเพื่อความบันเทิงกันนะครับและถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนอย่าลืมส่งมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ c e b o o k f แ n p เ g e ใต้คลิปนี้นะครับ